สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปซูตอนที่461เรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่ห้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะกล่าวถึงใครหรือคนไหนที่จะได้รับของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนอื่นนะครับให้เราฟังพระชนะของพระเจ้าก่อน ในพระธรรมโรมบทที่สิบสองข้อที่สามจนถึงข้อที่แปดพระธรรมโรมบทที่สิบสองข้อที่สามถึงข้อที่แปดโปรดฟังพระจนะของพระเจ้าข้าพระเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพระเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัว <c oughs> เกินที่ตนควนจรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่นานเพราะว่าในร่างกายอันเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและในอวัยวะนั้นๆมิได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใดพวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวกันในพระคติและเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นแต่เราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เราคือถ้าเป็นการเผยเพะจะนะ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 คำตอบของคําถามอยู่ในพระมังพีตอนนี้ครับปัญหาประเด็นของคนที่ใช้ของประธานพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์หรือคริสจักรที่ถามถามว่าการใช้ของประธานฝ่ายพระวิญ ญ, ญาณ น, นั้นใครบ้างที่จะใช้ได้เป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณอย่างเดียวท่านหรือคําตอบก็คือว่า เมื่อเราศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของของประทานฝ่ายพิญญ้งยันบริสุทธิ์เราเชื่อมโยงของประทานฝ่ายพิญญ้งยันบริสุทธิ์ฟังก์ชั่นของพิญญ้งยันของของประทานนั้นก็คือเสริมสร้างทําให้คริสจักรของพระเจ้านั้นจเจริญขึ้นใครบ้างที่มีสิทธิ์รับของประทานนี้คําตอบก็คือไม่ใช่สิทธิ จำกัดอยู่แค่สองสามคนหรือไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะผู้นำของคริสจักรพระ่มพีใหม่นั้นยืนยันให้เราเห็นชัดเจนครับจากพระัมพีโรมบทที่สิบสองที่เราได้อ่านไปคริสเตียนทุกคนครับคริสเตียนทุกคนมีของประทานหรือได้รับรับของประทานฝ่ายพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ พูดง่ายๆก็คือว่าทุกคนต้องมีอย่างน้อยที่สุดหนึ่งอย่างคําถามก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดหนึ่งอย่างอาจารย์เอามาจากไหนครับความจริงแล้วในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับของประธานมีท้งพระธระรมโรมบทที่12หนึ่งโครินธ์บทที่12นะครับมีทั้งสี่บทเลยครับที่แจกแจงรายการของประทานเอเฟซัสบทที่ส หนึ 1> 1. ่งเปโตรบทที่สี่หวังว่าพี่น้องคงจำได้นะครับของประธานชุดใหญ่นั้นอยู่ที่โรมบทที่สิบสองหนึ่งโคริสิบสองของประทานชุดเล็กอยู่ในหนึ่งเปโตรบทที่สี่เอเฟซัสบทที่สี่ในทุกๆตอนของของประธานนี้ได้มีคำที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวข้องกับของประธานให้กับทุกคนเริ่มต้นตั้งแต่โรมบทที่สิบสองครับ ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านั้งหลายทุกคนอ่านไปเรื่อยๆนะครับเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันเห็นไหมครับพี่น้องครับวลีที่คําว่าท่านั้งหลายทุกคนเราทุกคนโดยเฉพาะยิ่งในพระธรรมโรมบทที่สามบทที่สิบสองนะครับข้อที่ห้าบอกว่าพวกเราผู้เป็นหลายคน ยังเป็นกายอันเดียวกันในพระคฤิและเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นก็หกและเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ประธานให้แก่เราหลังจากนั้นก็เป็นลิสต์ของของประทานหรือรายการของของประทานนะครับตรงนี้จนถึงข้อที่แปนั้นก็มีอยู่เจ็ดอย่างด้วยกันพี่น้อง ในหนึ่งโครินบที่สิบสองข้อที่สิบเอ็ด่านได้ความว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่และคนตามชอบพระทยพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องครับคำว่าแต่และคนหมายความว่าทุกคนครับเอเฟซัสบทที่สี่ข้อที่เจ็ดแต่ว่าพระคุณนั้นทรงโปรดประทานแก่เราทุกทุกคน ตามขนาดที่พระคริสต์ประทานให้หนึ่งเปโตบที่สี่ข้อสิบตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีที่แจกและสำแดงพระคุณนาน า, นาประการของพระเจ้าพี่น้องสังเกตนะครับในพระกัมภีทั้งสี่ตอนที่เกี่ยวข้องกับของประทานทุกตอน ก็จะมีคําว่าทุกคนแต่ละคนเราทุกๆคนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าของประทานต่างๆนั้นไม่เพียงแต่ทรงประธานให้อย่างกว้างขวางหลากหลายแต่ยังเป็นของประทานที่พวกเราทุกคนครับต้องมีนี่เป็นประการแรกที่สําคัญนะครับที่เราจะตอบคําถามว่าใครควรจะมีของประธานคาตอบก็คือทุกคนครับ ประการที่สองประเด็นที่สองนะครับก็คือให้เราสังเกตคำอุปมาของอัครทูตเปาโลที่กล่าวว่าคริสจักรนั้นเป็นเสมือนพระกายของพระคริสหรือคริสจักรก็คือพระวรากายพระวรากายก็เปรียบเทียบว่าจะต้องมีอวัยวะหลายอย่างคริสจักรนั้น เหมือนกับร่างกายของมนุษย์ในแง่ที่ทั้งสองอย่างก็ต้องทํางานแบบบูรณาการทํางานแบบประสานงานกันในแต่ละหน่วยงานหรือในแต่ละคนแต่ละอวัยวะอวัยวะแต่ละอย่างนั้นหรือแต่ละหน่วยนั้นก็ทําหน้าที่แตกต่างกันจุดสําคัญคือทั้งสามตอนที่อค า, าทูตเปาโลกล่าวถึงของประทานฝ่ายจิ้นญานคือในพระธรรมโรมบทที่สิบสอง หนึ่โคลิที่สิบสองเอเฟซัสบทที่สี่อักขเปาโลนั้นกล่าวถึงคำโ อ, อมาโอไม่เรื่องพระโรกายนี้เห็นไหมครับนั่นคือประเด็นที่สองเมื่อพูดถึงเรื่องคำโอมาเกี่ยวกับพระโอรกายดูเหมือนว่าในความคิดของอักขเปาโลนั้นพระโอรกายของประคริปและของประธานฝ่ายจิติ ญ, ญานั้นแยกกันไม่ได้ครับคริสองจักรกับของประธานแยกกันไม่ออกครับเพราะฉะนั้น ทุกๆุกคริสจักรจะต้องมีของปรฐานฝ่ายจิตวิญญาณ ท, ทุกทุกคริสเตียนทุกทุกคนต้องมีของปรฐานฝ่ายจิตวิญญาณอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะครับพี่น้องอคาเดตเปาโลอธิบายความเกี่ยวโยงระหว่างสองสิ่งนี้อย่างชัดเจนก็คือพระอุรกายกับของประทาน คริสจักรนั้นรับมอบของประทานเพื่อที่จะทําให้คริสจักรเติบโตเพื่อที่จะให้กลมเกลียวประสานกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อที่จะอภิบาลบุรณะและทําให้เกิดความชื่นชมดี refreshing refreshing นั้นมีความหมายว่าทําให้มีชีวิตชีวาครับนั่นก็คือความหมายของการฟื้นฟูนั่นเอง การฟื้นฟูของคื้นจักรนั้นจำเป็นที่จะต้องมีของประธานฝ่ายจิตวิญญาณครับการที่เราจะเติบโตพัฒนาก็ต้องมีของประธานฝ่ายจิตวิญญาณของประธานฝ่ายจิตวิญญาณนั้นจะเป็นความสามารถส่วนตัวหรือจะเป็นของประธานที่เราสแสวงหาจะอยู่ใต้ธรรมชาติหรืออยู่เหนือธรรมชาติจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ ธรรมชาติซึ่งมนุษย์รู้จักหรืออาจจะอยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ยังค้นพบยังไม่รู้จักยังไม่ค้นพบยังไม่รู้จักก็ตามทุกสิ่งอย่างนั้นสามารถอธิบายและนํามาใช้เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อการประกาศพระกิติคุณและเพื่อการทําให้ขึ้จักของพระเจ้านั้นเติบโตพี่น้องครับความจริงที่ว่าขึ้นเตียนทุกคนนั้น มีของประทานก็เลยนําไปถึงสิ่งที่ผมจะพูดในวันพรุ่งนี้ก็คือเราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่ทุกๆคนจะรู้จักของประทานของตนเองเพื่อที่เราจะมีโอกาสรับใช้พระเจ้าให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดด้วยสุดจิตสุดใจที่เราจะ รักพระองค์ตอบสนองต่อความรักที่พระองค์มีกับเราโดยการใช้ของประธานอย่างเต็มที่เต็มสูบเพื่อที่ชีวิตของเราจะไม่เสียของเพื่อที่พระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานั้นก็จะไม่เสียของด้วยเช่นเดียวกันอาเมน